ากากอบบูชาพระธานาตรักรกอบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกับเขียนขากาบคารวะพระอาจารย์มัตนาชัยกาบคารวะเพื่อนสาธมิกเจริญพรมชีแล้วก็อุบาสกุบาศิกาทุกท่าน ก็นั่งตามสบายเนาะก็เป็นปกตินะของที่นีนะ่หลังจากที่เราทำวัดนะตอนเช้าตอนเย็นนะก็มาฟังธรรมกันเราสังเกตไม่ว่าเราทำวัดเสร็จแล้วนะจิตใจของเราเป็นไงบ้าง เป็นปกติเฉยๆนะเรียกว่าสดชื่นนะเรียกว่ามีอาการต่างๆเกิดขึ้นนะให้สังเกตดูการเจริญสตินะในแนวเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยะก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะในหลายๆรูปแบบนะที่เป็นที่นิยมนะในปัจจุบัน แล้วก็เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะโดยที่เรามาทำความรู้สึกตัวนะมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวการมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเป้าใหญ่นะเป็นเป้าที่เราเจะเห็นได้ชัด นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มต้นใหม่นะคนที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานเลยนะหรือคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็สามารถที่จะทำได้การที่เรามารู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวนะในรูปแบบนะจะเป็นการสร้างจังหวะก็ดีการเดินชงกลุมก็ดี นะจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือเป็นการปลุกความรู้สึกตัวนะที่มีอยู่แล้วนะให้ตื่นขึ้นให้มีความฉับไวขึ้นเพราะความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่นั้นไม่เพียงพอนะหรือว่าไม่ไม่เท่าทันนะกับอารมณนะ์กับความคิดปรงแต่ง ชีวิตที่ไม่มีการฝึกหรือไม่ได้มาเจริญสิเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะกับตัวเราเองเราก็จะพบว่าเรามักจะทำอะไรไปตามความเคยชินเรามักจะทำอะไรไปตามอารมณ์อันไหนเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเป็นความพอใจ เป็นความเคยชินนะที่จะได้รับความสุขนะเราก็จะรีบทําแล้วเราก็อยากอยากให้มันเกิดให้มันมีให้มันเป็นแต่ถ้าอารมณ์ใดในความคิดใดนะที่ทําให้เรารู้สึกมีความทุกข์นะหรือมีความเสียอกเสียใจหรือความไม่พอใจเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเราไม่พยายามที่จะทําทนะ อันนี้ก็เป็นการทำไปตามอารมณ์ทำไปตามความคุยชินแต่เมื่อเรามาเจริญสติเนี่ยเราก็จะเห็นหนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้ น, นแล้วมันก็จะมออีอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ ย, ยจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้จับยับยั้งชั่งใจจะทำอะไรก็ พิจารณาใ ค, ครควรแต่ก่อนที่จะพูดออกไปก่อนที่จะทำออกไปหรือก่อนที่จะคิดอะไรออกไปนะมีการยับยั้งชั่งใจอะไรควรทาอะไรไม่ควรทำเวลานี้ควรทำอะไรเวลานี้ไม่ควรทำอะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัว เอ่อคุ้มครองนะให้เราทำอะไรไปโดยที่ไม่ผิดพลาดนะหรือผิดพลาดน้อยลงแล้วก็จะเป็นชีวิตที่ทำอะไรด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้ทำอะไรด้วยอารมณ์ไม่ได้ทำอะไรด้วยความคิดที่ไม่รู้ตัวนะที่เป็นความคิดปรุงแต่งนะนี่เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งนะของการที่เรามีชีวิตของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ใน พ, พุทธศาสนาเนี่ยพูดถึงประโยชน์ที่มนุษย์เราเพึงจะได้รับเนี่ยอยู่3ระดับนะอันแรกคือประโยชน์ในปัจจุบันอันที่2ก็คือประโยชน์เบื้องหน้า หรือในอนาคตนะแลอันที่3ก็คือประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะก็คือการที่เรามีอาชีพการงานเราเรียนรู้ศิลปะวิทยาต่างๆนะเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเราเองและแล้วก็ครอบครัวของเรานะสร้างฐานะนะสร้างครอบครัวนะนี้ก็เป็นลักษณะของคนในโลกในสังคมทั่วไป นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปนเน้นตรงที่ทำอย่างไรให้มีกินมีใช้ให้เพียงพอนะหรือว่าให้ร่ารวยนะให้มีความสุขนะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ประโยชน์ในปัจจุบันซึ่งเราก็ยอมรับอยู่อย่างนึงว่าชีวิตของเราส่วนใหญนะ่เราก็จะเน้นกันตรงประโยชน์ตรงนี้นะเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบัน แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะเน้นตรงนี้โดยเฉพาะในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยเป็นยุควัตถุนิยมแล้วเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยบางทีก็ทุ่มไปกับการทรมาหากินหาเงินหาทองหาทรัพย์สินต่างๆแล้วก็มีความสุขจากวัตถุาจากการเสพวัตถุต่างๆ ซึ่งก็เป็นความสุขในระดับหนึ่งเป็นความสุขที่ได้จากการเสพเสพทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายาแล้วก็ทางใจซึ่งก็เป็นความสุขในระดับพื้นฐานาเป็นความสุขที่ช่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องแสวงหาต้องวิ่งหาเสียเงินเสียทองมากมาย แล้วก็เป็นความสุขที่จะต้องเติมเต็มอยู่เรื่อยๆนะเรียกว่าไม่รู้จักเต็มไม่เรียกว่าถ่มไม่รู้จักเต็มนะเป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์นะเป็นความสุขที่ขาดวิ่งนะหรือว่าขาดแบ่งอยู่ตลอดเวลานะถ้าเราสังเกตดูชีวิตของคนของตัวเราเองก็ตามนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นของตัวเราเองที่เราอยู่ในโลกเนี่ย ถ้าเรามุ่งมองนะที่จะสแสวงหาแต่วัตถุเงินทองเท่านั้นนะก็จะเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์นะเป็นชีวิตที่ขาตกบกพร่องอยู่ตลอดนะที่บอกว่าโลกคือจิตนี้พร่องอยู่เป็นนิดนะที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นีนะ้ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น มันก็มีประโยชน์ในระดับที่งง2นะก็คือประโยชน์เบ in oh <master> ื้องหน้าหรือประโยชน์อนาคตหรือบางคนก็บอกว่าเป็นประโยชน์ในชาติหน้านะนั่นก็เป็นคําศัพท์ที่ใช้กันแต่ว่าเป็นประโยชน์ในเบื้องหน้าเนี่ยนะก็คือการที่เราทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะสร้างนะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะทำให้เรามีความปลื้มอกปลื้มใจมีความสุขในขณะที่เราทํา และเมื่อเราได้ทําไปแล้วนะเวลาผ่านไปเราได้มานึกมานึกคิดนะเราก็มีความสุขแล้วนะก็เป็นความสุขในเบื้องหน้านะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมความดีนะตั้งแต่เรื่องของศีลธรรมนะเรื่องของการเสียสละนะหรือแม้แต่ เรื่องของปัญญานะนี่ก็เป็นสิ่งที่แม้แต่เรื่องของความศรัทธาความศรัทธาในคุณงามความดีแล้วก็กระทำลงไปจริงๆนะซึ่งตรงนีนะ้ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจมากขึ้นประโยชน์ในเรื่องต้นนั้นส่วนใหญ่จะมุ่งไปวัตถุมากกว่านะแต่ว่าประโยชน์เรื่องหน้า เ, นเป็นประโยชน์ที่เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจแต่ในประโยชน์ตรงนี้เนี่ย นะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยบางทีเราก็จะยึดติดนะอยู่ในคุณงามความดีหรืออยู่ในความสุขนะก็คือว่าบางทีเราทำไปเราคิดว่าเป็นเรื่องดีนะแต่คนอื่นก็ จ, จะเห็นไม่ดีก็ได้นะนี่เป็นเรื่องที่เราอาจจะเอ่ออาจจะมีความทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่นอนนะประโยชน์ในระดับที่สอง ปในระดับที่สามคือประโยชน์สูงสุดนะก็คือการที่เรามาเจริญสตินะมาเจริญปัญญานะเพื่อที่จะได้เข้าถึงนะความเป็นปกตินะของใจนะหรือการที่เราสามารถปล่อยวางรือว่าร่วงพ้นนะความทุกข์ทางใจไปไดนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้อยคนมากนะที่จะ เห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็มาทำประโยชน์ตรงนี้นะซึ่งที่เรามาอยู่กันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเรามาเจริญสตินะเราม า, าปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะเราก็มีจุดมุ่งหมายนะที่จะไปถึงประโยชน์สูงสุดนะของการที่เรามีชีวิตนะก็คือการที่เรารู้เท่าทันรู้ความทุกข์ นะแล้วก็สามารถที่จะร่วงพ้นความทุกข์ไปได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดที่ครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราควรจะได้รับที่จะทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจกับตัวเราเองนะที่เราได้พาตัวเรามาที่วัดป่าสุกโตแล้วก็มาเรียนรู้นะ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเองนะซึ่งประโยชน์สูงสุดนี้เงนะินซื้อไม่ได้ใครทำให้กันก็ไม่ได้เราต้องทำเองนะด้วยความเริ่มจักมีความศรัทธาก่อนนะก็คือศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการที่เรามองเห็นประโยชน์นะแล้วก็ลงมือกระทำนะด้วยความเพียรพยายามลงไป ในการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะในเบื้องแรกเนี่ยนะบางทีมันก็มีอุปสรรคมีสิ่งที่ทำให้เราท้อถอยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราต้องมาเผชิญกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะอย่างเช่นการที่เรามาเดินจงกรมก็ดีการที่เรามาสร้างจังหวะ ก, ก็ดี นะบางทีเราก็อิดอัดนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่หรือคนที่ไม่รู้ในเบื้องต้นนะว่ามาทำอะไรนะโดยเฉพาะ อ, อ, อาจจะเป็นนักศึกษาก็ได้นะหรือคนที่เพิ่งมาใหม่ก็ดนะีบางทีก็คิดว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันน่าจะได้สัมผัสกับความสงบความนิ่ง ความเย็นสบายหรือได้พบกับความปิติซาบซ่า น, นหรือความสุข น, นิ่มๆเป็นความสุขที่มันควรจะเป็นไปแต่พอเรามาปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะมันมาเจออะไรก็ไม่รู้มาทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำๆ ซ, ซักๆเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละ ยกมือก็ยกไปยกมาอยู่น่าน่าเบื่อจะตายแหมไม่เห็นมันเป็นอย่างที่เราคิดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทําให้เราท้อใจได้นะ่ะเป็นจุดที่ทําให้หลายคนเนี่ยเข็ดขยาดไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมแต่รู้ไม่ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์เบื้องต้นนะที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติจากการที่เรามาเจริญสติชีวิต ที่เราอยู่ในสังคมทั่วไปนะเมื่อเร า, เาทําอะไรซ้ำซํำๆซักๆเนี่ยเราก็จะเกิดความเบือ่อนะเราก็จะเกิดความเซงนะเราก็จะไปหาอะไรทําที่มันมันสนุกกว่านี้มันกระตุน้นมันเร้าให้เราสนุกสนานไอ้ความที่เราเคยชินนะกับการที่เราเาเสษกับ ความตื่นเต้นนี่แหละนะมันทำให้เราพอเวลาเรามาเ จ, เจริญสติหรือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการเบื่อนะเกิดอาการเซงขึ้นมาเพราะมันไม่มีอะไรมากระตุ้นการที่เราไม่มีอะไรกระตุ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเบื่อหรือบางทีก็ทำให้เราม่วงนะฮะตรงนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเ อ, อ ไม่ไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันมันไม่มีประโยชน์นะแล้วก็เอ๊ะเรามาทำถูกหรือเปล่านะมันก็จะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะกับตัวเราเองการที่เรามาทำเจริญสติเนี่ยแล้วพบอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเาเรียกว่าเป็นบทเรียนบทแรกสำหรับการเจริญสติไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามนะ จะเป็นอาณาปนสติก็ดีจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ดีทุกวิธีเลยมันจะต้องเจออารมณ์เหล่าเนี้นะอารมณ์เบื่อ อ, อารมณ์เซมอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ง่วงเหงาเหงานอนนะ <c oughs> มีทุกมีทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามนะเส้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องผ่านให้ได้ เพนะังนั้นอย่าไปท้อนะถ้าเจออารมณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นอารมณ์เบื้องต้นการที่จะผ่านอารมณ์เหล่านี้ได้ก็คือต้องอาศัยความอดทนนะก็คือมีขันตินะที่จะพยายามนะแรกๆก็อาจจะฝืนกันนิดนึงมันง่วงปกติเราอยู่บ้านเนี่ยง่วงก็ต้องเข้านอนแล้วแต่เราอยู่ที่นี่เราเง่วงเราไม่นอนเราไม่เชื่อมัน มันจะชวนให้เราหลับตาเราไม่หลับตาเราลืมตาสู้มันเลย <c oughs> บางทีมันเลยไม่ไหวก็ลุกเดินเลยนะต้องแก้มันยกช้าๆมั น, นง่วงก็ยกให้มันเร็วขึ้นหรือนะบางทีนั่ง น, นานๆมั น, นง่วงมันสู้ไม่ไหวก็ลุกเดินเลยเดินมันยังง่วงอีกก็เดินให้เร็วขึ้นนะเดนินเร็วบ้างถอยหลังบ้างแล้วก็คือปลุกตัวเองนะโดยเฉพาะความง่วงเนี่ยจะเจอ ในวันแรกๆคนที่ปฏิบัติแรกๆ ก, ก็จะเจอพอวันที่สามวันที่4ี่ผ่านไปแล้วนี่เริ่มเบาแล้วสติมันเริ่มดีขึ้นสติมันเริ่มตื่นขึ้นความง่วงก็ยังมีแต่มันมีน้ำหนักน้อยลงเราจะสังเกตได้อันนี้เป็นพัฒนาการาที่เกิดขึ้นแลวเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ความง่วงเนี่ยมันก็เป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้น นะมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนะเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็ไปนะถ้าความรู้สึกตัวเราชัดเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมาดานะที่มันจะเกิดขึ้นแต่ก่อนพอเราน่วงเราก็อยากนอนเลยแล้วเราก็คิดว่าตัวเราเป็นคนนะ่วงเราน่วงแต่จริงๆมันไม่มีตัวเราหรอกถ้าเราดูดีๆมันมีแต่ความน่วงถ้าความรู้สึกตัวเราชัดนะซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้อาการต่างๆที่เป็นไปตามธรรมชาตินะที่ไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยความแยกคายสักนิดหนึ่งนีือบางทีทาไปนะมันฟุ้งซ่านมันคิดมากอ่านะนี่ก็เป็นกันทุกคนแหละนะเพราะว่าชีวิตในประจำวันของเราแต่ก่อนเนี่ยนะเราก็ต้องใช้ความคิด จะเรียนหนังสือก็ดีจะทำงานก็ดีเราก็ต้องใช้ความคิดแต่ส่วนใหญ่ในบางทีเราก็คิดไปเรื่อยๆคิดในการในงานความเคยชินในการที่จะคิดเนี่ยพอเรามาจเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้ทำการงานอย่างนั้นมันไม่ได้เรียนหนังสืออย่างนั้นความเคยชินในการที่จะคิดมันก็แสดงตัวออกมาแลเป็นความฟ้งซ่านซึ่งตรงเนี้ยนไม่ผิดนะบางคนบอกโอ้ยมันถึก ถูกหรือเปล่าเนี่ยปฏิบัติถูกหรือเปล่าทำไมยิ่งทำยิ่งฟงุ้งซ่านการที่เราเห็นความฟุ้งซ่านมากๆนั่นแสดงว่าสติหรือความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นมันเห็นเพียงแต่ว่าเราจะออกมันยังไงบางทีเราเห็นแต่เราออกไม่ได้นะเพราะนั้นเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือว่าเรากลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆ นะย่าจะไปสนใจกับความคิดทั้งหลายทั้งปวงนะก็คือมันคิดก็คิดไปก็ปล่อยมันคำว่าปล่อยในที่นี้ก็คือไม่ได้คิดตามนะแล้วก็ไม่ได้ห้ามด้วยไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวเพียงกลับมารู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยแล้วความคิดมันก็ไปของมันเองมาเดี๋ยวนั้นก็มาให ม, ม, ม่อีกมาใหม่อีกแล้วก็ไม่สนใจมาเหมือนคุณก็มา หาแล้วที่บ้านมาเคาะประตูถ้าเราไม่เปิดประตูต้อนรับเดี๋ยวเขาก็ต้องไปในเหมือนกันความคิดมกเหมือนกันมาดูว่าความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยบางทีนะในระหว่างที่มาปฏิบัติบางคนเนี่ย <im k> ก็ได้ความคิดดีๆที่จะไปท ำ, น, ทำนู่นทำนี่แม้แต่ความคิดดีๆก็ไม่เอานะทิ้งไปหมดเลยนะก็คือในช่วงที่เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องมาคิดโครงการอะไรทั้งสิ้นนะ คิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอากลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวการกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยนะเป็นการที่เรากลับมาสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของใจนะซึ่งเป็นปกตินะเป็นใจที่เป็นกลางๆนะไม่สุขไม่ทุกขนะ์เป็นใจที่ไม่ได้พอใจแล้วก็ไม่ได้เสียใจ นี้เป็นสนนนิ่งที่เป็นปกติเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาเรียกว่าสร้างนิสัยมาสร้างนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนเนี่ยเป็นนิสัยที่จะทาอะไรไปตามอารมณ์เป็นนิสัยที่จะทำอะไรไปตามความเคยชินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดนิสัยใหม่เกิดชีวิตใหม่มาเป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวทีนี้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นความฟุ้งซ่านก็ดีความาเบื่อก็ดีความเงื่องหาวนอนก็ดีนั่นมันเป็นอาการของจิตที่มันจะเกิดขึ้นที่เขาจะให้เรามาดูให้เราเรียนรู้แต่ก่อนเราไม่ได้ดูเราไม่เรีย น, เ ร, ยนเรียนรู้เนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในในสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเราเป็นคนฟุ้งซ่านเราเป็นคนเมืองเราเป็นคนเบื่อ แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีๆชัดๆเนี่ยมันจะมีแต่อาการเหล่านี้แต่มันไม่มีตัวเราแต่สนะิงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เราถอนตัวออกเรียกว่าหายตัวได้เลยอาการไมหายตัวในที่นี้ก็คือไม่มีตัวเราเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นในสะิ่งตรงนี้ก็อาศัยความรู้สึกตัวมานะที่ได้จากการที่เราทำบ่อยๆนเอง ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมาทำให้ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องนะมันก็จะไม่ชัดเจนนะความรู้สึกตัวทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆนะก็คือในรูปแบบเนี่ยความรู้สึกตัวมันอาจจะชัดนะแต่พอเรา ออกจากรูปแบบออกจากขันจงกลมเราไปใช้ชีวิตประจำวันและบางทีเราละเลยมาที่จะมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวกับความนึกคิดซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดขาดช่วงขาดตอนได้เพราะฉะนั้นนอกจากในรูปแบบแล้วลเราก็ควรจะมีความรู้สึกตัวกับชีวิตประจาวันด้วย นะ่ตั้งแต่ตืน่นนอนจนเข้านอนนะ่ะเริ่มกันตั้งแต่ตื่นนอนด้วยความรู้สึกตัวนะ่พับผ้าเก็บพ่อโฮมด้วยความรู้สึกตัวนะ่ะลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวนะล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำด้วยความรู้สึกตัวอาจจะทำเช้าลงนิดนึงนะ่ะแต่ก่อนเราทําอะไรเนี่ยทำรวดเร็วทำไปตามความเคยชิน เจตนาที่จะรู้สึกตัวไปในกิจวัตรประจำวันของเราจากการาขับถ่ายมาด้วยความรู้สึกตัวนะเดินมาทำวัดด้วยความรู้สึกตัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํามาเป็นกลุ่มเนี่ยต่างคนต่างเดินอย่าไปพูดไปคุยกันเพราะการพูดคุยเนี่ยมันเผลอไปแล้วมันต้องใช้ความคิดปรุงแต่งแต่เราไม่รู้ตัวหลัก เราอยู่ในสังคมเราจะคุ้นเคยกับการคุยนะแต่เรามาที่นี่เนี่ยขอให้เป็นวันที่เราจะมีความรู้สึกตัวโดวยงดการพูดคุยหรืพูดคุยเท่าที่จําเป็นไม่พูดคุยเลยได้ยิ่งดีแนะตรงนี้จะทำให้เกิดผลเดินมาด้วยความรู้สึกตัวได้พริบสดนลในระหว่างที่เราสดมนลและก็สดนลด้วยความรู้สึกตัว สังเกตมไหมเวลาเราสวดมนเนี่ยเราบางทีมันก็มีแวบ้บๆคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้บางทีเราสวดผิดก็มีเหมือนกันนะนี่ก็ให้สังเกตดูนะบางทีอ้าวไปถึงตรงนี้แล้วเหรออ่าบางทีก็ไม่รู้ตัวแต่ตรงนี้ก็ให้มีความรู้สึกตัวกับการสาทยายมนต์นะตรงนี้ก็ดปงสิ่งที่ควรจะนะควรจะทําให้เกิดขึ้นนะกับ กิจวัตรประจนะําวันนะตัดข้าวกินข้าวด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนเรากินข้าวไปเราคิดไปเนื่ากเราอยู่ในสังคมเรากินข้าวไปแล้วก็คุยไปแล้วบางทีก็ต <c oughs> ัดริ้วตัวเองก็มีนะแล้วบางทีกินข้าวไปข้าติดคอก็มีเพราะว่ากินไปคุยไปนะแล้วกินไปคิดไปนะ น, นี่ก็ไม่มีความรู้สึกตัว เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันในทุกๆขณะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณ ะ, ะที่จะต่อเนื่องมันไปคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยถ้าตั้งใจมากๆนะบางทีก็ตึงเครียดบางทีก็หนักหัวตรงเนี้ย มันส่งสัญญาณมาแล้วนะว่าเราเพ่งเกินไปเราตั้งใจเกินไปต้องผ่อนคลายลงมานะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตสัญญาณพวกนี้ด้วยถ้ามันหนักมันเตึงมันเครียดนะก็ผ่อนคลายโดยการมองไปไกลๆบ้างนะนั่งพักลงสักครู่หนึง่งนะผ่อนคลายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นศิลปะเหมือนกันนะถ้าเราจะทำแบบเอาจิงเอาจังเอา เอามันให้ได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นไปด้วยความอยากแต่บางทีก็อึดอัดแต่บางทีก็แน่นมา อ, อกขึ้นมาบางทีก็มุนหัวขึ้นมาในซึ่งตรงนี้ตัวกระถุนุตมาเองก็มีประสบการณ์สมัยไปฝึกใหม่ๆก็ต้นอย่างนั้นน่ะเราอยากได้นะ่ะเราอยากเตินน่ะแล้วเอาจริงเอาจังกับมันน่ะก็บางทีก็ไม่รู้ตัวโชคดีมีครูบาอาจารย์นั้นก็มาเตือนมาบอกมาแนะ บางทีท่านมาบอกบางทีเราก็ยังดิ้วท่านบอกเราเพิมพ์ไปแล้วนะเราบอกเราไม่ได้พิมพ์เนี่ยนะเรามาดูทีหลังเออมันเพิมจริงๆอ่ะมันหนักๆหัวนะมันมันมันะมันแน่นเอาอกนะอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องสังเกตนะในการฝึกในรูปแบบนะหรือในการใช้ชีวิตเนี่ยก็ให้สังเกตดูบางที เราเพลนไปใจลอยไปอันนี้ก็สังเกตแต่บางทีตรงนี้เราก็ต้องมีการสํารวมนะสํารวมระวังนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการเจริญสติเนี่ยแรนะกแรกมันก็เพ่งมันก็ช่องมันก็ตั้งใจแล้วนะก็รู้จักผ่อนคลายนะเข้ามา ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตรงกลางเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้นะว่าตรงกลางคืออย่างไรก็บอกให้วางใจกลางกลางเนี่ยมันพูดภาษาได้นะแต่ว่าเราต้องสังเกตตัวเราเองนะว่าเออใจกลางกลางมันก็ออมันทาได้เรื่อยๆเนาะห อ, อใจมันก็โปร่งโลง่ลงเนาะเออมันทำไปได้เรื่อยๆมันไม่หนักเกินไปนะมันไม่รู้สึกหนักเกินไปนะนี่เป็นสิ่งที่จะสังเกตได้ ถ้ามันหนักเกินไปแล้วก็ผ่อนคลายหาอุบายนะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเห็นบางคนยกมือยกเล็มากเลยนะหัวอัตโนมัติเลยเป็นหุ่นยนยต์เลยตาก็ลอยๆยลักษณะแบบนั้นก็คือลักษณะของการเผยไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอย่างนี้เนี่ยก็ลงชา้าลงนิดนึงสใสเจตนาที่จะรู้สึกตัวเข้าไปนะชา้าลงนิดนึงแล้วก็ให้รู้สึก ขณะที่เคลื่อนขณะที่หยุดการเคลื่อนการหยุดนะ่ยไม่ใช่เคลื่อนตลอดเลยหรือบางคนเดินเนี่ยเดินเดินไปเรื่อยเรื่อยเลยเดินยาวเลยอย่างที่เรนเห็นโค้งเนี่ยบางทีเห็นเดินรอบเลยนะเดินหลายรอบอันนั้นเพลินไปละบางทีมันเครียดมากก็มาเดินสักรอบนึงก็พอละนะเหม็นบางคนเดินหลายรอบอนะนั่นก็เพลินกันไปเพราะนั้นจะสังเกตว่าการฝึกเจริญสติเนี่ย ไม่เครียดเกินไปไม่เพลินกันไปนะตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตเครียดเกินไปก็หนักเพลินเกินไปก็เผลอนะพอดีพอดีเนี่ยอันนี้ต้องสังเกตตัวเราเองเนาะให้มันพอเหมาะพอดีที่เราจะทําได้เรื่อยๆเดินมากมันเมื่อยก็นั่งนั่งมากมันเหน็ดชาก็เดินก็คือบริหารนั่งไปมันพอเหมาะพอดี แต่สนะิ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการสังเกตเอาสักหน่อยนะบางทีก็ทำแบบเอาจริงเอาจังมากนะบางทีมันก็หลักทําย่อนเกินไปมันก็เพลินมันก็เผลอนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูความพอหมะพดีนะความเบือ่อความเส็งเป็นธรรมดานะอันนี้เป็นนรรมะที่แสดงให้เราเห็นหลายคนไปเข้าใจว่าการเห็นนรามะคือเห็นสีเห็นแสง เห็นอะไรต่างๆที่มันประหลาดๆ ห, หรือบางคนก็ไปเข้าใจว่าเออปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะมันจะไปอยู่ในความสุขสงบจนตลอดเลยอย่างนั้นให้มันจินตนาการทั้งนั้นเลยการเห็นที่แท้จริงก็คือเห็นที่กายเห็นที่ใจกายมันเคลื่อนมันไหวกายมันปวดมันเมื่อย กายมันเย็นร้อนอ่อนแข็งใจมันนคิดเรื่องต่างๆแต่เราไม่ไปตามมันเห็นทั้งเนี้ยเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยเรื่นายเห็นจนขนาดที่เรารู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราและมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมันแปลปวนมันทนอยู่ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เรา อาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจำเอามาแล้วก็มาคิดหรือมาเทียบเคียงนะหลายคนนะก็ไปจำอันนีจจงทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยนี่คือความจำนะธรรมะจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้านะซึ่งไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นจะเป็นความเบื่อความเซ็งความผุ้งซ่านความปิติเออบางทีมันก็เจอกงนะบางคนทาไปแล้วโอโ้ตัวเบาสบาย น, านั่นิ่งๆ น, นะตรงนี้นก็ต้องต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายนะเป็นทางผ่านนะทุกอารมณ์เป็นทางผ่านให้ผ่านไปเรื่อยๆอย่าไปอยู่ อย่าไหยุดอยู่เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและไประหยุดจริงจริงก็ประหยุดไม่ได้ไปประคองมันไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเปลีป่ยนแปลงหลายคนฝึกไปแล้วได้ปิตินะได้ความสุขนะสักพักมันหายไปก็อยากจะได้อีกนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปไขว่คว้าหามันแล้วแต่สนะิ่งตรงนั้นก็นไม่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้น ทุกอารมณ์ที่เกิดทุกความคิดที่เกิดผ่านกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆตรงนี้จะทำให้เรากลับคืนสู่ความเป็นปกติซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่มีอยู่แล้วทุกคนในธรรมชาติตรงนี้นี่แหละหที่ทำให้เรามีปกติสุขทำให้เราไม่เป็นบ้าทำให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ เป็นพื้นฐานของชีวิตของเร า, าซึเส้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นปกติสุขและเราก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยสติด้วยปัญญาของเร า, าเราะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ ก็จะได้เห็นนะสิ่งประงแต่งต่างๆเนี่ยหลากหลายที่แสดงตัวออกมาแต่ไม่เข้าไปติดกับมันนะเห็นมันแล้วก็เป็นเหมือนกระแสะน้ำที่ไหลผ่านไปนะเป็นเหมือนสายลมที่ผ่านไปเป็นธรรมชาติที่ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราเป็นเพียงแต่ผู้ดูเราไม่เข้าไปเป็นกับมัน นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้สังเกตเนาะถ้าเราก็ไปยึดถือเมื่อไหร่เราจะรู้สึกหนักเมือ น, นั้นเมื่อเราอยากแจ้มันเป็นอย่างใจเราก็จะทบทันทนะีซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมชาติอีกการหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของการที่เราไม่รู้เป็นธรรมชาติของการที่เราหลงเพนะราะฉะนั้นก็จะมีตัวหลงกับตัวรู้นี่แหละเพนะราะฉะนั้นคนที่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ มีความฉลาดนะครับฉลาดในที่นี้ไม่ฉลาดแบบโลกๆนะเป็นฉลาดที่จะรู้เท่าทันความคิดเปล่งแต่งรู้เท่าทันอารมณ์นะที่มันเกิดขึ้นในตละขณะแต่ละขณะหรือนะบางทีก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตาที่สนะก็คือตาปัญญาเนี่ยมันจะเปิดขึ้นซนะึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้เปิดตรงนี้ นะตาปัญญาก็คือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนะซึ่งมันจะมีปัญญาเข้าม า, าพร้อมกันไปนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้เท่าทันนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเราแล้วเราก็จะไม่หลงเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเรานะว่าเป็นของเรานะตรงนี้มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดเอานะไม่ได้จำเอา แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองแล้วเกิดขึ้นจากการที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์จริงๆไม่สมบูรณ์มันก็ปรต่อยในแต่ละขณะอยู่แล้วน่นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะถ้าเราสังเกต ด, ดูเรื่อยๆบ่อยๆเพราะฉนั้นตรงนี้ก็เลยต้องอาศัยความเพียร น, นะความเพียรอาศัยศรัทธานะอาศัย ส, นะยสติอาศัยสมาธิและอาศัยปัญญาที่เรียกว่าภะราอ่ นะหรืออนะี่ห้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะก็จะได้ท้อถอยนะบางคนทำไปแล้วสัมผัสกับความเป็นปกติเฉยเฉยเอยแล้วมันแค่นี้เหรอนะบางทีก็ท้ถอถอยไปมันก็มีเหมือนกันบางทีก็อยากจะให้มันมีมากกว่านั้นอะอย่างนี้อันนี้ก็ให้สังเกตดูนะว่าถ้ามันปกติมันเป็นธรรมดาธรรมดาใจปกติเนี่ยมันจะเห็นอะไรได้ ชัดเจนขึ้นเหมืนเหมือนน้าที่มันนิ่งอ่ะอะไรมันตกลงไปก็จะเห็นทันทีใจที่เป็นปกตินั้นพออารมณ์อะไรเกิดขึ้นความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมันจะรู้เท่าทันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีชีวิตนะ่ะที่อ่ะเป็นปกติสุขนะ่ะซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดนะ่ะของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะ่ะครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะถ้าเราไปมัวแต่เอาประโยชน์เบื้องประโยชน์ปนัจจุบันประโยชน์เบื้องหน้านะมันก็ได้แค่นั้นแห ะ, ะนะเพราะนั้นสิ่งที่เรามาทำเนี่ยถือว่าเป็นการม า, าหาประโยชน์สูงสุดหน้าที่ทําให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะแล้วก็จะเป็นกําไรกับชีวิตของเราคนที่มีอายุไม่มากนะถ้าเข้าใจสามารถเอาไปใช้ได้ นะก็จะมีกาไรให้กับตัวเองต่อไปเป็นกาไรที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเราแลนะก็คือความเป็นปกติสุขในใจนั่นเองนะีนะ่ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอในค่ำคืนวันนีนะ้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะไม่รู้จะเป็นประโยชน์อย่นจริงหรือเปล่า ก็อยากจะให้เป็นแรงสนับสนุนเนาะเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความเพียรความพยายามนะในการที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของตัวเองให้ต่อเนื่องต่อไปนะแล้วก็ให้ได้พบกับความเป็นปกติสุขนที่เกิดขึ้นภายในใจบ่อยๆเรื่อยๆ นะแล้วก็รู้เท่าทันในความคิดปรุงแต่งต่างๆนะในเรือ ว, วันนี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร